ไม่รู้อะไรเขาเออกมาให้หยิบยื่นเข้ามาให้เพราะฉะนั้นว่าเป็นคนเป็นคนเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นได้เข้าใจสูงเมื่อนหนึ่งยุงมีดีที่แหวกขนภาใจต่ำเป็นได้ก็เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบคนเรียกมนุษยษานะมนุษย์คือจิตใจที่ใสสะอาดมนุษย์ที่จิตใจที่มีความสงบคนที่เปจิตใจที่เล่าร้อนกวนกระวายไปหมด คนมันอยู่ระหว่างกลางๆบางครั้งมาขนาดก็ตกไปทางที่ดีบางครั้งมาขนาดก็ชิดอย่างสัตว์เดรัจฉานบ้างเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปบ้างนี่ไปบ้างดังนั้นว่าการเป็นอยู่ของเราตัวนี้พยายามที่จะทำของเราให้มีความสงบมากขึ้นนีม้มากขึ้นสติสมัมปชัญญะของเราต้องทําให้มีความมั่นคงมากขึ้นเอาธรรมะคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าพุทธองค์นั้นมาประกอบกับตนเองให้มีความเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดประโยชน์กับตนเองให้มากที่สุดเมื่อประโยชน์ตนเองเมื่อประโยชน์ตนเองงที่สุดแล้ว ก็ค้นควายประโยชน์คนอื่นบ้างนี้บ้างให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจสัมผัสตัวอธรรมะคาสังสอนพุทธองค์อันนั้นเป็นหน้าที่ของพระแล้วจันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้รู้แล้วจันนั้นที่จะต้องไปทําที่จะต้องไปสร้างที่จะต้องไปกล่าวเปนะ็นแมให้เขาเปิดเปิดประตูที่เขาปิดเอาไว้งายของที่คันคว่ำให้มันเห็นให้มองสว่างให้มองเห็นให้ได้มองเห็นบ้างนี้บ้าง <c oughs> ดังนั้นว่าการประตุ้นปฏิบัติธรรมของเราในช่วงเจกเทศกาลงานวันมาคบูชาเนี่ย น่าน eh <politique> ่าน mm ่น hmm like kind of ่านนยินดีว่าชาวพุทธของเรานั้นไม่ได้ตื่นตัวเฉพาะเรื่องพิธีกรรมแม้แต่ตื่นตัวในด้านการปฏิบัติตนเองให้มากขึ้นนี้มากขึ้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนนที่ไหนทุกคนก็สามารถที่จะเลือกเลือกวัดเลือกวัดในการที่จะเท่านำพาตนเองให้เข้าไปถึงจุดหมายปลายทางของตนเองได้การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งแต่ละขณะของจิตใจของเราของคนเราแม้แต่กุบฏเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพทธิยมก็มีด้วยการเปลี่ยนแปลง ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเรเป็นปน RAW, ้าไปอยู่กับอ拉ลาลาลาบทเอโตกาดาบทเห็นว่ามันนี่มันไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์ก็เปิดประโยชน์น้อยที่สุดน่สุดเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองกลับตนเองนี่ตนเองเปลี่ยนแปลงใหม่นี่ใหม่ตัวของเราก็เหมือนกันสามารถที่จะเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนแปลงคนตนเองขอองงตเให้ให้หมุนหมุนหาจุดของตนเองให้พบให้เจอให้ได้ถ้าไม่เจอไม่ไม่พบไม่เจอกับเป้าหมายหรือจุดหมายของตนเองนี่ตนเองมันจะมันจะเสียเวลาสุดเปล่า เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้เราอยากจะฝากอยากจะฝังให้ญาติโยมได้เอาไปใช้เอาไปเชื่อเพื่อเป็นเครื่องคิดเตือนจิตตะกิจใจของเราว่า อ, อสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ทํามานี่มาเป็นส่วนที่เราจะต้องนําไปประพฤติปฏิบัตินําให้มันเกิดให้เกิดเกิดให้ความรู้แก้เห็นจริงในชีวิตของเราให้มันได้ไม่ใช่ว่าโอโ อ, โอกาสข้างหน้าโอกาสาหน้าทั้งนั้นยังติด ค, ค่อยมาทําค่อยมาสร้างบุญกุศลส่วนนั้นเราก็ทำบุญทํากุศลไปก่อนนี้ไปก่อนเวลาที่จะขึ้นมามันไม่ไม่รอใคร เวลาที่ผ่านไปผ่านปันไม่ไม่ไม่มีความเมตตากับใครไม่รับสินบนจากใครใครไปใครมาใครเวลาเวลาเข า, เ, า, เ, ขาเขาจะหมุนอยู่ตลอดเวลาเอาเงินค่าจ้างเอาอะไรต่างๆไปหลอกไปล่อไปทาให้เขาหนึ่งเขาก็ไม่หยุดหยุดก่อนนะวันนี้เวลายังอย่าเพิ่งเดือนเลยนี่เลยไม่ได้ เขาเป็นไปตามการตามเวลาของเขาแต่เรานั้นจะผัดวันประกันภูเไปได้มันไม่ไม่ดีนี่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นว่าการสร้างสติสัมปชัญญะการสร้างสติสมาธิของเราตัวนี้พยายามที่จะให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้นนีม่มากขึ้นถ้าเรามีความแข็งแกร่งได้นี้ได้ศาสนาของเราก็จะเดินยิ่งปัจจุบันนี้เขาว่าศาสนาเขากําลังคุกคามกันอยู่นี่กันอยู่แต่เขาไม่ได้ไม่ได้แย่งศ า, าสนาศิศาสนิกแต่เขาเข้าไปยืนไปมีบทบาทในด้านกฎหมาย กฎหมายที่เขาเอามาเหมือนกับประเทศอินเดียก็เหมือนกันเขาไม่เขาไม่ได้ไปว่าไปทําอะไรแต่เขาอาผูป้ปกครองปกครองบ้านเมืองสามารถกลุ่มหังใจของผู้ปกครองบ้านเมืองเปลี่ยนไอความรู้สึกความคิดต่างๆที่เขาเคยนับถือพูดอะไไปนับถืออะไรอะไรต่างๆสำหรับที่เขาทํากันอยู่นี่กันอยู่เพราะฉะนั้นไอส่วนนี้ถ้าเรามีความมั่นคงส่วนนี้เราจะไม่หวั่นไหวว่าเนี่ยคอนเทนต์กับเขานี่ยเขาข่าวลือข่าวดังเขาอะไรต่างๆที่ในวงการศาสนาเราจะมีความมั่นใจของเราเราจะมีความมั่นใจในของศาสนาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆ มีความพอใจมีความยินดีมีความเชื่อมั่นในองค์พระพุทธธรรมประสงค์ที่เป็นศาสนาของเราได้จริงๆนี่จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําลัทธินี้ขึ้นได้นี่ก็ไ ด, ได้พุทธศาสนาของเราก็มั่นคงเจริญไม่ใช่เจริญใน ใ, ในในด้านวัตถุแต่ปัจจุบันนี้เจริญในด้านวัตถุกันมากเลอเกินนี้เลอเกินสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรต่างๆเป็นยี่สบสาสิบล้านห้าิบ ล, ล้านเป็นหลายล้านพันพันล้านแต่ว่ากิจใจของมนุษย์กิจใจของศาสนาทของพุทธศาสนิกชนของเรานั้นรู้สึกว่า ง, งอนแงนคอนแช่กันเลอเกินนี้เลยเกิน ทีนี้สร้างสร้างคนให้เป็นพระสร้างคนให้เกิดึเนเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิได้คนเดียวได้คนหนึ่งก็ยังถือว่าดีเหมือนแต่โยมสุดใจนี้เหมือนกันพอสุดใจนี้ก็เหมือนกันมามาปฏิบัติสองวันสามวันสามารถที่จะจับความรู้สึกชัดจับความรู้สึกได้เกิดปิติวิ่งไปหาโู้บันเล่าเหตุการณ์เล่าอะไรต่างให้ฟังโอ้น้ําตามันไหลโย อ, อันนี้คือปิติปิติที่มันเกิดขึ้น เมื่อก่อนอาตมากเาเ็เ ป, เป็นพอเดินจงกรมได้อารมณ์เนี่ยโอ้ไปจับต้นไม้จริงไม้ร้องท้าน้ําตามันโอูคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรต่ออะไรส้วพัดที่คิดมานี้มาโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้ยถ้าเขามารู้มาเห็นมาเข้าใจกับเราเขาชีวิตของเขาจะมีความสุขมันกลายเป็นความนิ่ตกกังวลไปหยิบเอาแต่เรื่องของคนอื่นมาเอาเป็นคนอื่นเราอยากจะไปให้คนอื่นเขาเทศปีนั้นถ้ามาอยู่ในราษาในรรษาแก็ลาอาจารย์ทั้งสองสาครั้งอาจารย์ก็ลังจะพึ่งปไปอยู่ในรรษา ออยากจะประเทศอยากมาแสดงทําทให้ญาติโยมฟังโยมพ่อโยมแม่อยู่ที่บ้านนี้ที่บ้านก็ได้แล้วโอ้ยนั่งเดินยืนร้องให้เดินโยมกลมก็ร้องผมร้องไห้อื้ออื้คึกคึโอ้ยพออ่ยพอเอ้ยแม่เอ้ยทำไงเนาะพ่อถึงจะมาอยู่มาปฏิบัติกัรเรานี่กับเราแม่ถ้ามาอยู่กับปฏิบัติกัรเราพี่น้องเราจะได้ไมาเข้าใจธรรมะเหมือนกับเรานี่กับเร า, ารเมียแต่ขอโทษอขออภัยในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้ามาปฏิบัติธรรมเข้าใจกันเราเนีโอ้ยประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีต้องมีต้องไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องมีตํารวจทหารอะไรเลยโน่นแต่สมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะแบบเรานี่ยโอ้ยก็ไม่แน่บางทีเราอาจจะรู้ไปก่อนเราก็ได้แต่ว่าความคิดความรู้สึกของเรามันมันชิดมันฟุ้งซ่านไปนี่ไปชิดชิดชิดชิดไปนี่ไปโอ้ยนี่ไปคิดมาแล้วมันมือนั่นมันเหนื่อยนี่นี่เฮ้ยไอ้บ้าทักทวงกังนี้ไอ้บ้าเอ้ยร้องไห้ทําไมเว้ย มันดีใจอ่ะเอาดีใจก็เป็นบ้าเสียใจก็เป็นบ้าเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้แล้วก็ถามตัวเองว่าเต็มบาทหรือเปล่าว้าเออนั่นสิเต็มหรือเปล่าสติมันกลับเข้ามาหาตัวเองขึ้นความรู้สึกที่มันเคยทุ่งออกไปข้างนอกมันกลับเข้ามาหาตัวเองนี่ตัวเองเอ๋อใช่ดีใจก็เป็นบ้าเสียใจก็เป็นบ้านั่งยิ้มเชื่ออย่างนี้ปกติอย่างนี้โอ้ ความดีใจความเสียใจเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราจะเอาดีใจมันก็มีความเสียใจแต่ถ้าเราเสียใจมันก็ต้องมีดีใจแต่ถ้าเราอยู่เป็นปกติอยู่ขณะถ้าขณะเอาดีใจเราก็มองดูเสียใจเราก็มองดูโอ้อยู่อย่างนั้นอ่ะเอออย่างนี้มันเรียกว่าปกติกายปกติวายกาปกติใจกลับเข้ามาแถวนี้ดึงกลับเข้ามาดึงความรู้สึกกลับมาเมื่อก่อนมันความรู้สึกมันพุ้งออกไปข้างนอกนี่ข้างนอกไปหมด ความรู้สึกมันอาจจะไปฟุ้งมันอาจจะเอาเหตุเอาผลเอาปุงเอาแต่งเรื่องนั้นเร่องนี้เรื่องคิดแต่เรื่องดี ๆ, ๆทั้งนั้นละ่ะคิดแต่เรื่องดีๆนี่ดีๆอันนี้เ ล, เล่าเล่าเรื่องของอัตมาให้ฟังสักหน่อยเนาะเขาคิดดีดีน่าเล่ากว่าน้อมีมีโยมอะโยมเขาบทชีบทชีก็อยู่ด้วยกันแต่กปกติสมัยก่อนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าพันสา ท่านศาห่าพันศาหกนี้ไม่เคยพูดกับโยมเลยปีหนึ่งหลวงพ่อเทียนท่านมาจามรนสาอยู่เนี่ย <c oughs> และโยมโยมคุณนายมาจากกรุงเทพโ ย, ยมคุณนายมาจากกรุงเทพท่านหลวงพ่อเทีย น, นกยน็คงจะว่าอ่านแล้วเอออยากจะให้รู้จักญาติโยมบ้างนี้บ้างอ่าก็เลยเข้ามานอนนี้มานอนก็ไม่มีมุ้งก็ให้หามุ้งให้หาท่านก็หาให้แล้วท่านใช้อัตามาให้เอาไปส่งอัตามาก็ไปส่งโยมโยมย ม, ยมนี่นะมุ้งเอาแว้น่ากันแล้วก็หนีกลับมานี้กันมา เขา่จะเอามุ้งให้ใหโยมหรือยังให้แล้วครับเขาว่าไงก็ไม่รู้กันกันมาวางบอกให้เข้าแล้วก็วางไว้ต้องหน้าปกตินะเออดีไว้ดีไว้เมื่อปีนั้นโยมมาจำราษาใบราษาเดียวกันนี่กันเยอะแยะภิกษุก็เยอะเจียชีก็เยอะก็เยอะแยะไปหมดที่ไม่หมดมีชีคนหนึ่งทันี้อาจจะแก่แล้วล่ะอาจจะคังว่ําแล้วเออมา ซื้อต่อไปแล้วกลับมากลับมาแล้วมาพูดโอ้ oh. อันนี้มันเรื่องโลกโลกนะนนเล่าเล่ า, ล า, ลาความคิดคิดของเขาให้ฟังในีฟังอ่ะโอ้ยรู้สึกว่าแล้วก็ถ้ า, ถ, าถ้าได้แต่งงานด้วยชีวิตนี้จะมีความสุขถ้าแต่งงานด้วยชีวิตนี้จะมีความสุขถ้าออกทาไมว่างนั้นน่ะอ๋อก็ก็ไอพ่อก็มีธรรมะแม่ก็มีธรรมะลูกออกมาก็มีธรรมะ <laughs> ลูกออกมาก็มีธรรมะนี่ธรรมะชีวิตมันก็ต้องสุกอยู่เลยก็เลยถามว่าโยมเป็นเป็นอันนี้อันนี้ยังยังยังรู้สึกตัวอยู่ไหมรู้อยู่รู้อยู่ในอดีตแล้วอยู่ในอนาคตก็ อ, อยู่ปัจจุบันใช่เดี๋ยวนี้โยมเอาเอาอนาคตดึงอนาคตที่อยู่ไกลสุดขุดสุดขั้วนั้นมาเป็นปัจจุบันขุดอดีตขึ้นมาเป็นปัจจุบันแต่ปัจจุบันจริงๆเราตรงอยู่ตรงนี้เรามัรู้จักเลย อ๋อทำไมว่างั้นน่ะก็ใช่เอ้าสมมตินะ่ะทํำไมเข้าใจเขาทำไม่เข้าใจสมมติว่าในขณะนี้เราแต่งงานแต่งการการนันมีกันพอแต่งเสร็จจะมีเวลาคิดไอ้แบบนี้ไหมมันก็ต้องคิดหาวิธีการเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรนะสร้างฐานะสร้างอะไรต่างๆให้กันแต่ตนเองตัวเองจะมาคิดว่าตนเรรองก็มีธรรมะพ่อก็มีธรรมะลูกออกมาก็มีธรรมะโอ้โอ น, นั้นเลิกคิดไปเลยนี่ไปเลยก็เรียกว่าคิดคิดได้คิดตันคิดได้แต่ว่าอัตมาไม่มีสิทธิคิด ร่วมด้วยไม่มีความชิดร่วมด้วยเอาเลยชิดได้คนเดียวชิดไปเลยไม่เป็นเลยแต่จะมาไม่ปฏิเสธมันรับไม่ได้ชิดไม่ได้ชิดไม่เป็นเหลือเออเออดีนี่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ความชิดที่มันชิดมันชิดแต่เรื่องดีๆขึ้นมานี่ขึ้นมาสร้างแต่เรื่องดีๆตือขึ้นนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนี่ตนเองไม่ชิดถึงไอ้สิ่งที่มันจะพาอุปสรรคขวายจะมาถึงจุดนี้จุดนี้จุดนี้ไปได้นี่ยไปได้เราไม่ชิดถึงเลยเอาแต่ความดี อาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่คิดเลยอันนี้แหละความเป็นมิจฉาชีพมันเกิดขึ้นเห็นหลายหลายองค์เห็นหลายลูกพอเกิดขึ้นมานี่ขึ้นมาอู้ยไปเลยนี่เลยพอกลับมาแล้วมีโยมมีมีโยมคนหนึ่งรุ่นรู้วันนี้ก็มีมาโยมเคยมาบวชที่ตรง น, นี้แหละพวกคนเกา่าให่แก่เนี่ยคงคงจะรู้จักอ่าจารย์ขันทองอาจารย์ขันทองนี่ขันทองเคยอยู่ปั้นอ่าปั้นรูกที่เห็นอย่าเห็นแก่ตัวนั่นก็แก่นั่นละเป็นคนปั้น อันนี้ไปทํางานอยู่กับมูลที่ของไในประทีปอุ้งทรงธรรมมา น, นี้มาเยี่ยมโอ้ทาไมทําไมทำแบบทาไมดีอย่างในต้นไม้หรือสึกมันเอย่ยงเอ้าแล้วอาจารย์แล้วอาจารย์แล้วยมทําไมตัวหัวงอกก่อนทําไมต้องหัวขาวเมื่อก่อนหัวไม่ขาวผมไม่ขาวเออมันธรรมดาเนาะ ม, นมันเรื่องธรรมดาเนาะใช่เพราะฉะนั้นต้องรู้จักกฎของธรรมดาเห็นต้นไม้ต้น อ, อะไรต่างๆมันเขียวชอุ่มงามดีนี่ดีแล้วเกืินนี้ได้เกิ น, กอนโอ้ดีนี่ดี พอใจในในสิ่งที่เคยที่ตนที่ตนเคยอยู่นี่ก็อยู่ทีนี้อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเขาจะมาบวชเหมือนกันอันารยาก็ไม่รู้จักแต่เขาถามเขาเขารู้จักคนนั้นคนนี้อะไรถามท่านชื่ออะไรพอได้ยินชื่อยินชื่อยินประวัติชื่อคือชื่อคานคานนี่ก็เคยได้ยินอาจารย์คานก็เคยได้ยินพอได้ยินพอนี่ก็ผมก็อยากมาบวชเหมือนกันยมอันนี้อย่าอย่อย่าย่คิดว่าอาจารย์ อปฏิเสธหรืออะตมาอะไรนะอยากจะให้ขอ้ขอข้อคิดอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งแต่โยมบวชตั้งแต่อ า, จายจันบวชบวชสมัยก่อนไม่มีพันธะลูกเมียไม่มีมันยังโดดออกไปแต่กลับเข้ามาใหม่ลูกก็มีเมียก็มีคิดได้จะตัดขาดแน่หรอเดินจงกกลมไปเดินยกลมมาก็อยากจะโอ้ยลูกนาะโอ้ยเมียนาะอยู่ที่บ้านนี่ที่บ้าน ทำยังไงก็จะ อ, อยู่ยังไงนอะเนาะคิดถึงนี่คิดถึงเมื่อก่อนเราไม่มีเรายังขวอยาอ่าขวยหานีหาแต่ทั้งเรามีแล้วพันท้ายสิ่งแล้วถ้าอยู่อยู่ให้เป็นอุบาสกที่ดีประพฤติปฏิบัติตัวเองดีให้ดีนี่ดีอยู่ในสังคมอันนั้นเราก็ถือว่าเป็นการเผยแพ่ธรรมะเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเข้ามาในรูปแบบแบบนี้เมื่อพอใจสิ่งเหล่านี้เราก็ทาอยู่ลักษณะนี้ เมื่อไม่พอใจสิ่งเหล่านี้ก็เราก็สึกสึกอไปแล้วก็พอใจในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราทำหน้าที่ของเราทําไปทำมาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อเกิดความลำคามนี้เกิด้นแล้วไปทำไมอ้อพูดแบบนี้ไม่อยากจะเล็นเพื่อนได้อยากได้แต่ว่าอันนี้คือพูดให้แง่ชิดไงอยากมาก็มาอยากเอาก็เอาอยากไม่เนี่ยเมื่อเ ข, า, ข, า, ขาพูดลักษณะเ น, นี้ยมยมที่บวชบวชแล้วสึกไปแล้วแล้วไม่ไม่ค่อยกล้ามาอยู่ด้วยไม่รู้เป็นยังไง สิสิสกออกไปนี่ออกไปแล้วไม่อยากจะมาอยู่ก็ยัไม่อยากมาอยู่ก็ไม่กล้ามาอยู่ด้วยเออดีนี่ดีเพราะฉะนั้นว่าการปฏิบัติ ธ, ธรรมของเรานั้นถ้าเราเข้าใจไอ้ส่วนนี้ให้มากขึ้นมีมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สุดมากเลยเป็นสิ่งที่น่าจารเลิศเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาว่าเออหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิธญาณมาตั้ง 2, สองพันห้าร้อสี่สิบหกปีมาแล้วนี่ยังเป็นธรมตะอยู่ยังสามารถที่จะลิบลดได้นี่ได้อยู่นี่อยู่ตลอด ดังนั้นว่าเพียงแต่เราเปิดโอกาสเปิดหัวใจใ น, น้อยๆตรงนี้ให้รับเอาทําคําสั่งสอนเอาแสงสว่างจากพระธรรมคำสังสอนคุพระองค์นี้เอามาใส่กับชีวิตจิตใจของเราลองดูนี่ลองดูจะได้เกิดประโยชน์จะได้เกิดสติจะได้เกิดปัญญาของเรา阿拉 ก, ก็คงจะสมควรใจเวลาในการที่จะในวันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมในการประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ให้ญาติโยมตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติ นำสติสมัมปชัญญะของเรานั้นเอามาใช้กับชีวิตของเราให้มั น, มนให้มันคุ้มค่าที่สุดใที่สุดให้ได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสกับสติสมัมปชัญญะในแต่ปัจจุบันในขณะขณะ น, นี้ทุกท่านทุกคนเธอ